เห็นว่าท่านไม่ได้อาภาษเจ็บป่วยมาก่อนอยู่ๆก็มรณะภาพมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะนั่นสิครับลุงบอกผมเธอว่าไอ้หน้าไหนมันทำให้หลวงพ่อต้องตายผมจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยชายหนุ่มพูดอย่างเกลี้ยวกลาดใจเย็นๆนะพ่อนมลุงเองก็ข้องใจอยู่เหมือนกัน ไม่แน่ใจว่าท่านสมพานต้องจากไปเพราะฝีมือใครกันแน่แต่ลุงยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นฆาตกรรมเพราะไม่มีใครเกลียดชังท่านสมพานท่านสร้างความเจริญให้กับวัดพวกเราเคารพนับถือท่านมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะจากไปเร็วอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะ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 ผมไม่ทราบว่าจะเล่าดีหรือไม่ดีเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจจะเล่าก็กลัวตายครั้นไม่เล่ามันก็ค่้องใจสงสัยอยู่อย่างเนี้ยท่านช่วยผมตัดสินใจด้วยว่าควรเล่าหรือไม่ควรเล่าท่าทางเป็นเรื่องสำคัญนะอัตมาว่าคุยกันตรงนี้ไม่เหมาะไปคุยกันที่กุติสมพานดีไหมท่านเสนอแนะ ดีครับผมจะได้ถูโอกาสนิมนต์ท่านพักผ่อนด้วยยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาสวดพระอภิธรรมเขานิมนต์และพาท่านเดินไปยังกุฏิสมภารตุนายสำริดเดินตามไปได้วยอยากรู้นายอูรออยู่ข้างล่างเห็นท่านพระครูเดินมาก็ดีใจคิดว่าท่านจะกรับจึงเข้ามาถาม หลวงพ่อจะกลับแล้วเหรอครับยังหลอกโยมต้องรอให้สวดพระอภิธรรมเสร็จก่อนคิดว่าคงไม่เกินสองทุ่มท่านตอบไม่ดึกไปเหรอครับอีกอย่างทางก็ไม่ดีผมคงขับรถลําบากกว่าตอนมาน่าจะกลับเร็วขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งเขาต่อรองคงไม่เหมาะเอาเธออาตมารับรองว่า โยมจะไม่ลำบากเหมือนตอนขามาขอให้ตั้งใจขับก็แล้วกันอย่าทะเลาะกันแล้วอาตมาจะเอาใจช่วยให้ถึงเร็วๆท่านคิดว่าจะต้องพึ่งพาคาถาย่นระยะทางอีกครั้งเชิญโชเฟอร์พักผ่อนตามสบายนะถ้าหิวก็ไปหาข้าวกินที่โรงครัวได้เลยคิดว่าคนกันเองก็แล้วกันทายกบอกในอู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 อยู่ในนั้นหรือลุงหลวงพ่อฝากอะไรไว้ผมนายสัมฤทธิ์ถามอย่างตื่นเต้นเขาคิดว่าคงเป็นสิ่งของล้ำค่าที่บิดาหวงแหนและตั้งใจเก็บไว้ให้บุตรสุดที่รักผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนท่านพระครูเปิดดูสิครับพิกษุมัชฌิมวัยจึงครี่ผ้าขาวออก สิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านอุทานออกมาว่านารีผลอะไรนะครับทายกและนายสมฤทธิ์ถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูไม่ตอบทว่าคิดทบทวนถึงวันที่ท่านได้อธิษฐานไว้ที่หน้าถ้ำบนเขาสิคิริยาว่าหากท่านมีบุญวาสนาขอให้ได้พบนารีผลในเมืองไทยภายในสามวัน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 หาทิฏฐิไม่ได้ทว่าสิ่งที่อยู่ในพานตรงหน้าท่านกลับหาความงดงามไม่ได้เลยทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันแวบหนึ่งของความคิดท่านก็เห็นความเป็นอนิจจังปรากฏชัดอยู่ในร่างเล็กๆสองร่างที่นอนขดตัวเข้าหากันมองเผินๆคล้ายทารกชาราเพราะตัวเล็กกว่าทารกแรกเกิดแต่ผิวพันธ์เหี่ยวย่นไปทั้งตัว ไม่หลงเหลือความงดงามไว้แม้แต่น้อยสมภารได้นารีผลนี่มาจากไหนท่านถามทายกนารีผลนารีผลอะไรครับหลวงนาะนายสัมฤทธิ์รู้สึกผิดหวังเมื่อได้เห็นมรดก ข, ของบิดาสมภารวัดป่ามะม่วงจึงต้องเล่าเรื่องราวให้คนทั้งสองฟังว่านารีผลเป็นชื่อต้นไม้ในป่าหิ ม, มาพาน ผลของมันไม่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปคือจะเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามมากขนาดเท่ากับสาวรุ่นอายุ1ิบ6ผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุกแต่ไม่มีกระดูตอนหล่นจะต้นใหม่ๆพวกฤษีและคนทันจะเก็บเอาไปเสพสังวาสครั้นนานเข้าก็จะหมดสภาพคือค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนลูกโป่งแฟบ ขนาดก็เล็กลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละท่านเล่าคร้าวๆถ้าเช่นนั้นพระเวสสันดรก็เป็นเรื่องจริงสิครับทายยกตั้งข้อสังเกตจริงอย่างไม่ต้องสงสยัยสมัยอาตมาเป็นเด็กอาตมาก็ไม่เชื่อตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงตามที่พระท่านเทศทุกประการพระพุทธเจ้าของเราช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน ศาสนาของเราช่างอัศจรรย์นักอาตมาภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานับเป็นโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐของอาตมาโดยแท้ท่านพระครูพูดอย่างปีติแล้วมันเกี่ยวกับการตายของหลวงพ่อผมอย่างไรนายสัมฤทธิ์กังขาเขาคิดไม่ออกว่าซากทารกเหี่ยวๆสองคนนี้ จะเป็นสาเหตุแห่งการมรณภาพของสมภารตุได้อย่างไรนั่นสินยโยมลองเล่ามาสิอัตมาเองก็อยากรู้สมภารวัดป่ามะม่วงเห็นชอบด้วยถ้ายกเกิดอาการกล้ากล้า ก, กลัวกลัวอยากเล่าก็อยากเพราะเขาเองก็สงสัยมานานถึงสามปีแต่ถ้าเล่าแล้วต้องตายเหมือนสมภารตุเขาก็จะไม่เล่า แม้จะอยู่ในวัยไม้ใกล้ฟังหากเขาก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่ไปจนช่วกาลรปราวสานนั่นแลเล่าไปสิโยมสม่านวัดป่ามะม่วงเตือนเมื่อเห็นเขายังลังเลท่านครับผมไม่สบายใจผมกลัวเสียงที่พูดค่อนข้างสัน่นโยมกลัวอะไรดูเหมือนท่านพระครูยิ่งสงสัยหนักขึ้นกลัวตายครับ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 อาตมารับรองโยมยังอยู่ไปอีกนานยังไม่ตายง่ายๆหรอกเล่าไปเถอะเออแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านารีผลในพานนี้จะมาทำให้โยมต้องตายจริงอยู่นารีผลเป็นผลไม้กยสิทธิ์ไม่เหมือนผลไมอ้อื่นๆพระในถ้าบอกอาตมาว่านารีผลสามารถร้องรำทำเพลงได้แต่ไม่ทำอันตรายใคร เพราะฉะนั้นโยไม่ต้องกลัวขอให้สบายใจได้พ้อยคำของสมภารวัดป่ามะม่วงสร้างกำลังใจให้กับทายกเป็นทวีคูณเขาจึงเริ่มต้นเล่าเมื่อสามปีที่แล้วขณะที่ท่านสมภารกำลังดูแลการก่อสร้างพระอุโบสถอยู่นั้นมีกาถาชายนายหนึ่งเนื้อตัวสกปรก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 แล้วเลยกลายเป็นแผลในใจมาจนบัตรนี้ว่าการที่ผมใจร้ายกับคาตาชายผู้นั้นเป็นเหตุให้ท่านสมภารต้องมอรณาภาพหรือเปล่าที่ผมต้องกลายเป็นคนขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธอย่างที่ท่านว่าเพราะผมกลัวตาคนนั้นแกจะไปลักของสมภารห่วงว่าสมบัติที่ไม่ใช่ของผมมันจะให้ผมสร้างบาปให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว นอกจากแกลงให้อดอาหารแล้วโยมทําอะไรเขาหรือเปล่าท่านพระครูซักถามเปล่าครับแล้วแกก็ไม่ได้อดหรอกครับเพราะท่านสมพานนาอาหารของท่านไปให้แกกินสมพานยอมอดแทนพวกผมเห็นเช่นนั้นก็ไม่สบายใจผมไม่ทราบว่าสมพานท่านตั้งใจประชดพวกเราหรือเปล่าแทนที่ท่านจะให้ตะคนนั้นกินของท่าน ที่ฉันเหลือท่านกลับยกไปให้ทั้งหมดโดยท่านยอมอดใครจะทำกับอคตุ ก, กะอย่างนั้นได้ละโยมถ้าเป็นอาตมา ก, ก็ต้องทำอย่างที่สมพานตุทำเขาเป็นอคตุ ก, กะมาขอพักชั่วคราวถ้าเอาอาหารเหลือเดินไปให้เขากินเท่ากับไม่ให้เกียรติเขาสมพานวัดป่ามะม่วงชี้แจงครับผมก็เพิ่งเข้าใจ ในที่สุดเราก็เลยต้องจัดอาหารเป็นสองที่พอชายคนนั้นอยู่ได้ครบเจวันแกก็ลาสมพานไปก่อนไปได้มอบสิ่งนี้ไว้กับสมภานและบอกว่าท่านสมพานจะทำอะไรก็ทำเสียให้เสร็จภายในสามปีตอนนั้นท่านตั้งใจจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จเมื่อโบสถ์เสร็จท่านก็สร้างกุฏิกรรมฐานส0สิบหลัง ท่านก็ทำได้ภายในสามปีอย่างที่ชายผู้นั้นบอกแต่แล้วท่านก็มาด่วนจากไปยังไม่ทันได้ทำบุญฉลองกันเลยพวกเราประชุมกันว่าออกพรรษาจะทำบุญอย่างมโหรารฉลองทั้งโบสถ์กุฏิกรรมฐานแต่สมภารก็มาด่วนจากไปเสียก่อนผมเลยสงสัยว่าเป็นเพราะนารีผลนี้หรือเปล่าท่านพระครูพอจะให้คำตอบได้ไหมครับ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 ซึ่งมีกลิ่นสาบสางกลับกลายเป็นกลิ่นหอมประหลาดอย่างที่พวกเราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแกออกประตูหลังวัดไปเดี๋ยวเดียวสมภารท่านก็ตามไปดูก็ไม่พบเสียแล้วไม่รู้หายไปทางไหนท่านพระครูจึงพูดอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราหลอกโยมผู้ที่มาจากป่าหิมพานต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะ ที่นั่นมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าแดนหิมะพานเป็นแดนอัศจรรย์เอาละอาตมาคงไม่พูดอะไรมากเป็นอันว่าสมภารตุท่านไม่ได้มรณะพาพเพราะนารีผลและกะทาชายผู้นั้นก็ไม่ได้ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเรา เขารู้ว่าสมภารมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสามปีจึงเตือนท่านให้สะสางงานเสียให้เสร็จก็เท่านั้นเองยมช่วยไปบอกพักพวกด้วยว่าสมภารท่านมรณาภาพสิ้นอายุไม่มีใครทำท่านขอให้สบายใจได้แล้วจึงพูดกับนายสัมฤทธิ์ว่าเอ็นเก็บสิ่งนี้ไว้ตามที่ทา ย, ยกบอกก็แล้วกัน ผมไม่อยากเก็บประครับหลวงนาไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสมภารตู้ไม่อยากได้สิ่งที่เขาเห็นด้วยตาว่าเป็นเพียงซากทารกชราที่ไร้ค่าไร้ราคาไม่คู่ควรกับการเก็บรักษาเก็บไว้เถอะพ่อหนุม่มคิดว่าเห็นกับท่านสมภารก็แล้วกันมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อหนุ่มในวันข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้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 ไม่มีรอกพ่อหนุม่มว่าที่จริงแล้วถ้ามีก็ต้องตกเป็นของวดัดอย่างเช่นพระพุทธรูปโบราณที่พ่อหนุ่มเห็นอยู่นี้แต่เอาเธอถ้าพ่อหนุ่มอยากได้ก็เอาไปสักองค์สององค์ลุงก็ไม่ว่ารอกถึงท่านสมภารจะไม่ได้สั่งไว้ลุงก็ตัดใจให้พูดอย่างไม่เต็มใจนักอย่าเอาอะไรไปเลยสมัมฤทธิ์ การเอาของสมไปไว้ครอบครองเป็นบาปถ้าเองอยากได้พระพุทธรูปโบราณเดี๋ยวลงนาจะให้เองที่กุฏิมีมากมายเองเลือกเอาได้เลยแต่ของวัดอย่าได้ไปแตะต้องประเดี๋ยวจะตายไปเป็นเปรตเสียเปล่าๆท่านตั้งใจสอนทายกทางอ้อมด้วยแล้วนารีผลนี่ผมควรจะไปไหนครับเขาถามเชิงปรึกษา เอาไปสิเพราะหลวงน้าเอ็งสั่งไว้ว่าอาจมีประโยชน์ต่อเอ็งในวันข้างหน้าอย่างถ้ายกพูดมาก็ได้หรือถ้าไม่คิดเรื่องประโยชน์ก็คิดซะว่าเอ็งได้ทำตามคำสั่งหลวงพ่อเอ็งแล้วท่านจะได้หมดห่วงท่านพระครูแนะนำงั้นผมถาวายหลวงนาก็แล้วกันเพราะผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมใช่หนุ่มตัดปัญหา เอาเป็นว่าลงหน้ารับฝากไว้ก็แล้วกันของนี้เป็นสมบัติของเองหากเอาคืนมาเมื่อไรก็ได้ทุกเวลาสมผารวัดป่ามะม่วงสรุปเพื่อให้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเช่นนั้นท่านนำไปวันนี้เลยนะครับทายกบอกกึงยินดีกึงจะได้ด้วยอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมีค่ากว่าที่เขาคิด มิฉะนั้นสมภารตูคงไม่สั่งเสียเขาไว้ก่อนท่าน ม, มรณะผ้าเพียงเจ็ดวันท่านพระครูบอกนายสัมฤทธิ์ว่าตกลงหนูน้าจะเก็บไว้ให้เองตามที่บอกนะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันสิททีท้ายกม้วนผ้าหุ้มนารีผลแล้วจึงยกผ่านทองเหลืองประเค้นท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ไว้ในย่ามของท่านเอาละ โยมไปดูแลเรื่องการสวดพระอภิธรรมก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะให้เจ้าสำริดทำความสะอาดกุฏิเตรียมไว้เพื่อมีพระจากที่อื่นมาร่วม ง, งานจะได้ให้ท่านพักที่นี่ครับนิมนต์ตามสบายครับผมว่าท่านส่งน้ำให้สดชื่นสักหน่อยคงจะดีนะครับน้ำท่าเรามีอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นนิมนต์จำวัดเอาแรงไว้คืนนี้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 แลโยมยายของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทายกถามไม่อยู่แล้วแต่โยมยายอายุยืนนะโยมตอนตายนั้นอายุเกือบร้อยปีแล้วก็ไม่หลงด้วยสติดีมากเป็นบุญของแกนะครับผมเองไม่รู้ว่าจะอายุยืนเท่าท่านหรือเปล่าข้อสำคัญคือเรื่องหลง ผมกลัวว่าจะหลงตายอย่างคนแก่ทั่วไปแม่ผมเองแกก็หลงหลงตายทำอะไรไม่รู้เรื่องแถมตอนก่อนสิ้นใจยังร้องว่าแม่จ๋าช่วยด้วยทั้งที่ยายผมแก่ตายไปก่อนหน้าแกตั้งสิบกว่าปีแล้วทายกเล่าเรื่องมารดาของตนให้ท่านพระครูฟังแสดงว่าแก่ไม่ได้ฝึกสติไว้ใช่มาก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 สมภารตุท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานไว้ให้แล้วโยมก็จัดการรมกรรมฐานให้เจ้าบ้านจะได้ทำหน้าที่เป็นทายกได้อย่างสมบูรณ์กรรมฐานมีอเนิสงค์มากในโยมที่ท่านพูดมาน่าสนใจทีเดียวเอาไว้เสร็จงานท่านสมภารแล้วผมคงจะต้องไปเรียนวิชาจากท่านต้องไปแน่นอนเขาพูดอย่างมุ่งมั่น ดีแล้วล่ะโยมเอาละโยมไปดูแลเรื่องการเตรียมงานก็แล้วกันทยกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วก็ลุกออกมางานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งเสร็จซิ้นเมื่อเวลาสองทุ่มท่านพระครูเดินทางกลับวัดป่ามะม่วงพร้อมลูกชายสมพันธุในอูขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อหวังจะได้ค่าจ้างอย่างงามสมภารวัดป่ามะม่วงคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบในประเทศศรีรังกาเพลินจนลืมใช้คาถาย่นระยะทางครั้นนึกได้ว่าจะช่วยในอู ก, ก็ปรากฏว่ารถเลี้ยวเข้าประตูวัดมาแล้วท่านถามคนขับว่ากี่ทุ่มแล้วในอูยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาหากมองไม่เห็นเพราะมืด เขาขับรถไปจอดหลังกุฏิแล้วก็มาเปิดไฟในรถสองทุ่มสิบห้าครับสงสัยนาฬิกาผมเสียไม่เสียหรอกอาโอนาฬิกาผมบอกเวลาสองทุ่มสิบห้าเหมือนกันนายสมฤทธิ์พูดอย่างตื่นเต้นท่านพระครูรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงปฏิหารของนารีผลที่อยู่ในย่ามของท่าน